ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมพระโพธิญาณกำลังนำเสนอหลักการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้สัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คงเป็นเหตุการณ์ภายใต้บริเวณตรงนั้นแหละบริเวณนิมฝั่งไม้น้ำในรันชารา เพราะว่าธรรมะปฏิบัติจะมีความเข้มข้นมากที่ขึ้นโดย ด, ำดำําดับวันนี้จะพูดถึงธรรมะที่ทรงใช้กำว่าวิหารธรรมคือธรรมะที่เป็นเครื่องอยู่เป็นเรือนใจเป็นหลักใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจรับสั่งเล่าว่าพิสูจน์ทั้งหลายความหวันไหวโ ย, โยกโครงของกายหรือความหวันไหวโ ย, โยกโครงของจิตก็ตาม ย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดสมาธินั้นบุคคลย่อมจะได้โดยไม่หนักใจได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยแล้รับสั่งว่าลูกกรภิกษุทั้งหลายความไว้โยกโครงของกายหรือความไหวแยโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิไหนกันเล่า วิสูตังหลายความหวันไหวโยกโครงของกายหรือความหวันไหวโยกโครงของจิตก็าตามย่อมมีขึ้นไม่ได้เดือมหน้าแห่งการเจริญทำไม้มากซึ่งอนาปานสติสมาชิอนาปานสติสมาธิาาาตธึงสังเกตว่าการทําความสงบโดยการเจริญอานาปานสติอนาปานา น, า น, าปานาสตินั้นเป็นกรรมฐานที่ พระโพธิสัตว์ทรงใช้ตั้งแต่อย่างทรงพระเยาวคือตอนเจ็ดขวบที่ในงานพิธีวะปะมงคลแรกนาขวัญในขณะที่เขามีพิธีกรรมในการแรกนากันพระโพธิสัตว์เขาเข้าสมาชิเจริญฌานจนบรรลุปฐมฌานไปเลยปัญญาปานสติจึงเป็นกรรมฐานที่สอนแพร่หลายแต่ตามปกติในปัจจุบันเนี่ย ครูบาาจารย์นีดีต ท, ท่านคงมองเห็นว่าจิตใจของคนรุ่นใหม่นั้นไม่เหมือนกับคนลุก น, นั้นเพราะยุค ข, ของพระพุทธเจ้าเป็นยุคทองทางาศาสนาจริงๆไม่ว่าเราจะมองไปในด้านใดก็จะเจอถึงความเจริญรุ่งเรืองในด้านจิตใจของบุคคนดังนั้นเวลาสอนธรรมะ ดูแล้วไม่น่าจะทำได้นะฮะแต่ท่านทำได้เราเรียนกันแทบล้มแทบตายยังเอาไม่ก็ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานวาสนาบา ร, รมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสภาพจิตใจของคนพี่มาเคยตั้งข้อสังเกตหลายยุคหลายสมัยนะถ้าเราไปศึกษายุคที่พวกพราหมณ์ก็กำหนดไว้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยุคของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าก่อนพระพุทธเจ้าสักเอาสักร้อยปีนะฮะหลังพุทธปฏิพานสักร้อย ป, ปีแต่ทีว่ายุคพระพุทธเจ้าตรงนั้นก็เอาสักร้อยปีก็เรียกว่าสักสามร้อยปีหรือเอาสักร้อยสองร้อยปีนะฮะก่อนห้าสิบแล้วก็หลังห้าสิบมันจะมีเหตุการณ์ที่น่าสจัจจรเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าที่กรีกที่อียิปต์ที่อินเดียที่จีน นักปราชจะเกิดขึ้นในยุคนี้เยอะเราก็ต้องยอมว่านั้นคือยุคทองของเขาเพราะันเวลาพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยถ้าเราไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยากเวลนี้ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิสุทธิมรรคเนี่ยท่านก็นำมาสอนคือเราดูแล้วคล้ายๆกับเป็นขอนรองเหยียบขึ้นไปสู่บันไดที่ทรงวางไว้คือแทนที่จะก้าวไปเลย มันเราก็ก้าวไม่ไหวเพราะว่ามันสูงท่านจะสอนในแนวของการนับลมหายใจเข้าออกบ้างในการตามลมหายใจเข้าออกทั้งช่วงเข้าช่วงออกบ้างในการดูลมกระทบทางปลายจมูกไม่ใช่คือช่องจมูกหรือริมคีบปากเบื้องบนคือบางคนก็อาจจะกระทบที่ปลายจมูกเป็นต้นต้าง เรื่อนั้นที่จริงก็เป็นวิธีเดียวกันแม้ใช้คําว่าภาวนาว่าพุโทโธก็ดีหรือสมาลาหังก็ดีแต่สมาลาหังก็เอาอาดวงแก้เาไปเพ่งด้วยเลยมันมีกระสินอยู่ด้วยจริงก็เป็นอนุสติผลกสินพุทธานุติก็าผลกสินคือไม่ใช่ประเด็นทเท่าไหร่หรอกแต่ว่าในที่นี้อยากจะให้ลองสังเกตว่าข้อความตรงนี้เป็นก็เรียกว่านิ ป, ปริยายเลยคือไปเจอที่ไหนเทศอย่างนี้ทุกที ในมหาสติปฐานสูตรก็ดีในอนาปานาสติสูตรก็ดีหรือเวลาเวลาทรงแสดงการเจริญอนาปานาสติคำมันจะเหมือนกันก็รับสั่งแสดงว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเจริญทำให้มากซึ่งอนาปานาสติสมาธิอยู่อย่างไรเล่าความบวชโยโยโครงของกายหรือความบรชโยโยโครงของจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ แล้วก็สูตรตัวเนี้ยที่เรามานั่งคู่บัลลังก์ร่างกายทรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าตามสูตรของการนั่งสมาธิเนี่ยที่จริงเวลาทรงแสดงทรงเน้นที่อนาปานาสติเพราะว่าอนาปานาสติเราต้องการดูลมวันการนั่งขัดสมาธิหรือสมาธิเพชรเนี่ยมันจะช่วยในการทรงกายได้ดีแล้วก็ตามลมหายใจเข้าออกไปมาก็ดูได้แล้วก็มาฐานอื่นที่จริง อยู่ในเรียบทไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนะฮะแต่อย่านอนเพราะว่านอนมันส่วนใหญ่จะเครื่อนหลับไปเสีก่อนแต่ก็ถ้าเราต้องการจะเจริญสมาธิเพื่อให้จิตมันรวมแล้วก็หลับไปเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้จิตมันตื่นตัวอยู่กับลมหายใจเพียงแต่ว่าตั้งสติระลึกกาหนดมาจากนอนหงายแล้ววางมือวางเท้าให้ดี กำหนดสติระ ล, ลึกมาตั้งแต่ปลายเท้ามาเลยก็ไปเดียวก็หลับนะบางทีจิตกำหนดยังไม่ถึงไม่ถึ ง, ไ ม, ถงไม่ถึงหน้าอกเลยเนะี่ยจะหลับแล้วถ้เราฝึกมาดีๆมันก็ช่วยในการให้หลับได้เร็ววาสมาธินี่จะนำไปใช้ก็เรียกอนเนกประสงค์ไนะเพราะในความเป็นสมาธิมันมีสติสัมปัญญาความเพียรอยู่ก็สรุปว่า ยินสห้าเนี่ยเขามาอยู่สี่ข้อเลยซึ่งก็หมายว่าครบทั้งห้านั่นแหละเพราะว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยเขาหนุนช่วยกันอยู่รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าหรือโคนไม้ไดเรือนว่าง ก, างกาตามแลวนั่งคู่บันลังนั่งคู่ขาคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายทรงดำรงสติเฉพาะหน้าภิกษุนั้นหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสติ เ ม, ม acceso, ืม่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นคือหมายความว่าลมหายใจเนี่ยก็คือลมหายใจแหละหายใจยังไงก็หายไปเลยเพียงแต่ไปเอาสติไปเกาะไปเกาะที่ลมหายใจสั้นก็คือสั้นยาวก็คือยาวเรารู้ตามลมไปมันลักษณะคล้ายๆกับไรคลก็เราขีดเส้นเนี่ยนะ คิดเส้นก็ลากดึงสออไปตามเส้นจะดึงกลับมาก็ลากไปตามเส้นนั้นอีกทีหนึ่งทีนี้นี่นี่ถือว่าช่วงแรกเลยช่วงแรกก็ทำกันอย่างเงี้ยทำกันไปเรื่อยๆตั้งสติสัมมาัญญะความเพียรลึกรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นก็ตามหรือภาวนาพุทโธก็ได้หรือนับหนึ่งสองสามก็ได้แต่ถ้าจะเอาจริงๆแล้วเราก็เพิ่งทาใหม่ๆเนี่ยใช้วิธีนับเนี่ยดีที่สุด คื อ, อยังนึกถึงวิธีการของคนจีนแต่ก็ฝึกกําลังภายในเขาให้เด็กเอาตะเกียบไปหยิบเม็ดถั่วเ อ, อสมมุติว่าเม็ดถั่วเต็มถ้วยแล้วก็ให้หยิบใส่อีกถ้วยหนึ่งซึ่งมันโตกว่าเพราะถ้าถ้วยเท่ากาาันมันอาจจะนอาจจะร่วงนอาจจะหล่นออกไปนอกถ้วยแล้วเขาลดระยะเวลา ก็จะเห็นว่าเม็ถั่วมันก็มันก็ลื่นนะฮะตะเกียบมันก็ลื่นแล้วก็หยิบไปใส่เนี่ยสมมุติว่าเด็กทําครั้งแรกได้สามสิบวนาทีก็ลดลงไปได้สิบยิบเก้ายี่สบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่ส้ายิบสี่ยิบสามยีิบสองก็ลงไปเรื่อยๆเลยแล้วเด็กหยิบได้เท่าเดิมนีแสดงว่าสมาธิดีมากคือใจประสานกับตะเกียบตะเกียบประสานใจใจก็อยู่กับตะเกียบตลอดระยะเวลาเลยไม่วอกแหวกก็เป็นสมาธิ เป็น basic เบสิกเบื้องต้นที่จะฝึกปรือและเสร็จแล้วก็อาจจะขึ้นไปนับลูก ป, ประคำรูก ป, ประคำก็อีกแบบหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าอุตรนิกายนีย่คือนิกายฝ่ายเหนือนี่เขาจะเน้นหนักในเรื่องดงนี้อยู่แมาคือคนมานับลูก ป, ประคำหมายความว่าลูก ป, ประคำก็มีร้อยแปดเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนับไปเรื่อยแต่ถ้านับไปแล้วจะไม่เชื่อนะว่า เ ร, เรียนจบเป็นยามานี่นับหนึ่งไม่ถึงร้อยอบางทีลูกประคำร้อยแปดนับเลยไปตั้งร้อยสิบสามเลยบางทีลูกประคำร้อยแปดเอานับไปได้ร้อยห้าหมดแล้วหายไปไหนอีกสามลูกก็ไม่รู้นั่นแสดงว่าเกิดเผลอขึ้นมาในช่วงตรงนี้ลูกประคำมันก็กลายเป็นโจทย์ที่จะบอกเราว่าเธอนับผิดนะเธอนับพลาดนะเธอนับเกินไปนะเธอนับขาดไปนะแล้วนับลมหายใจเขาออกเนี่ยมันก็ดีในช่วงตรงนี้ คือเราโจทย์เราเองได้คืออย่าลืมมาการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยไม่ใช่ใครมาสรดสอบเราแต่เราต้องสรวจสอบใจเราเองซึ่งก็เหมือนกับเรื่องอื่นนั่นแหละเหมือนกับเราเรียนหนังสือเมื่อเรากินอาหารเมื่อเาอาบน้ำเราก็ตรวจสอบตัวเราเองกินได้ยังเราก็รู้เองนะอ า, อาดได้ยังเราก็รู้เองรู้ได้ยังเราก็รู้เองมันไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาเป็นสกิีพยานให้ทีนีการนับเนี่ยมันมีวิธีนับ หายเข้านับหนึ่งห้จะออกนับหนึ่งหจเข้านับสองหาจะออกนับสองหจเข้านับสามออกนับสามหายเข้านับสี่หยจออกนับสี่หจเข้านับห้าหาออกนับห้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งถึงหกหกใหม่หนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเึงหนึ่งถึงสิบหนึ่งหนึ่งถึงห้าห้าหนึ่งหนึ่งถึงหกหกหนึ่งหึ่งงเจ็ดเ็หนึ่งหึงงแดแปดหนึ่งหนึ่งถึงเก้เกาหนงนึ่ิบสิ้นหนึ่งถึงห้ พอถึง66เอมัน66หรือ77นะลังเลฮะลังเลนี่หลายวินาทีแล้วนะถ้าระเบิดเครื่องบินระเบิดระเบิดได้แล้วรถชนชนได้แล้วแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวได้แล้วพังเสียหายยุบยับไปแล้วนะทั้งทั้งในเวลาสั้นนิดเดียวแนตะ่าเะทีแล้ะงั้นบางทีก็อาจจะไปลังเลตอน77เอมัน77หรือ88นะมันทีเผลอพูดไปเป็น88เลย สแสดงว่าโอกาสที่จะเผลอเนี่ยเรามีทั้งสามั้งสามจังหวะแต่ละจังหวะนั้นมันเกิดอาการชะ ง, งักพอชะ ง, งักเนี่ยเวลามันผ่านเวลามันผ่านไปสมมติว่าเราขับรถอะไรก็ตามมันเกิดอุบัติเหตุได้แล้วสติท่านจึงบอกให้แนบไปกับจิตมีระลึกรู้เวลาใช้ควบเนี่ยเขาเรียกระลึกรู้ในในตรงนี้ถือว่าเป็นหลักที่ทำาในมากทำไปเรื่อย แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะมาดูตามนี้หรืออาจจะทดลองดูภาวนาพุโทโธไปก่อนก็ได้หรือว่าดูจุดลมกระทบก็ได้ก็แล้วแต่หรือตามลมไปแต่เสร็จแล้วก็ดูตรงเนี้มูรูรู้ที่ลมลมหายใจเข้าออกยาวสั้นช่างเขาคือว่าคนเราจังหวะหายใจไม่เหมือนกันคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเช่นเราอบรมกรรมฐานเราลมเด็กเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวนำเอานะ หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองเราไม่รู้ว่าเด็กแกหายใจเร็วหรือสั้นแล้วทำให้ลูกเขาไปหายใจเร็วทั้งๆที่เธอหายใจช้าหรือหายใจช้าทั้งๆที่เธอหายใจเร็วมันก็มีปัญหาเราก็จะนำให้สักรอบหนึ่งเท่านั้นเองเพื่อเด็กเขาหายใจเขาเองแล้วเขานับเ้าเองให้รู้สึกอิสระอย่าไปผูกมัดอะไรเ้ามากเกินไปทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าเธอย่อมทําการสําเนียกฝึกฝนโดยหลักว่าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าเราจะเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกนี้ก็หมายความว่าเป็นการตามลมเข้าไปลมก็คือกายนะที่จริงส่วนหนึ่งของกายหรือแนวตรงนี้ที่จริงเราจะเอาไปตรงอื่นก็ได้นะฮะเอาเป็นแนวสัมปชัญญะปัฏ p ก็ได้หมายความว่า ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายให้วิ่งไปตามกายเนี่ยคือคืออยากจิตมันวิ่งแต่ว่ามันเกาะทันทีไม่ได้มันก็นนกปล่อยเขาวิ่งไปดูวิ่งไปดูแล้วก็ตามลมเข้าไปเราหายใจเข้าเราก็ตามเข้าไปแล้วก็ออกเจนว่าลมมันไปหายเหนือเหนือสะดือนิดหน่อยแล้วก็เวลาหาจออกเราก็ตามเข้ามาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าไม่เกิดคือไม่เกิดนะ ไม่เกิดคือไม่เกิดถ้าไม่เกิดเราก็อยู่สรงนั้นห่ะช่วงเอ่อช่วงสองสองข้อแรกอนะ่ะข้อใดข้อหนึ่งนะหายใจเข้ายาวสั้นก็ตามรู้ไปเรื่อยทีนี้ถ้ามันเกิดเปลี่ยนแปลงก็ตามลมโูกายทั้งปวงหายใจเข้าโูกายทั้งปวงหายใจออกทีนี้ลมหายใจในทั้งจุดหนึ่งก็จะสงบลมหายใจเขาเรียกว่ากายสังขารคือสิ่งที่ปลนปลือหล่อเลี้ยงร่างกายเราอยู่แต่เราสังเกตว่าร่างกายเราจะเก่งดีพิเศษยังไงก็ตามถ้าลมหายใจไม่มีเราก็จบกันท่านนั้นเอง คนนี้จึงเรียกว่ากายสังขารได้แก่ลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกก็เรียกอนาปนานะเนี่ยหายใจเข้าใจออกก็คือกายสังขาวรวจีสังขารคือสิ่งที่ปรุงวาจาเราก็ได้แก่วิตกวิจาร์คือเราต้องคิดก่อนอจึงพูดคิดก่อนจึงอถาธิบายขยายความอะไรก็ตามทีนี้บางทีเนี่ยมันคิดเร็วอคิดเร็วมันก็พูดได้เร็วก็ทําอะไรได้เร็วแล้วก็ สัญญากรเบเวทนาที่เคยพูดไว้วันก่อนนะฮะพวกขันห้าเนี่ยสัญญากระเวทนาเนี่ยเขาเป็นจิตตสังขารเพราะเราเจอคนบางคนเราจึงดีใจเจอคนบางคนเราจึงรู้สึกหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจเจอคนบางคนเราเฉยๆเพราะอะไรเพราะเราจําเขาไว้ในลักษณะต่างกันคนที่เราดีใจเราจําเขาไว้ด้วยความรักความชอบใจคนที่เราไม่พอใจเราจําความไม่ดีของเขาไว้แล้วคนที่เราเฉยๆเราก็จําธรรมดาธรรมดา เราเคยประสบความสุขความทุกข์ที่เกี่ยวกับคนเหล่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นอย่างนี้มันจึงทําให้เรารู้สึกแตกต่างกันเพราะฉมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นผู้ทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจอยู่ให้ใจเข้าอยู่เราจักเป็นผู้ทํากายสังขารให้สงบระงับระงับอยู่หายใจใายใจออกอยู่คือหมายความว่าไปเพ่งดูที่ที่ลมซึ่งมันสงบ ลองดูที่ลมซึ่งมันสงบอยู่ก็บางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าลมมันหายไปเลยแต่ว่าอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปตกใจท่าแนแม่บอกว่าให้เรานึกดูว่าเราเนี่ยคนที่ไม่หายใจเนี่ยมันก็คือคนตายหรือคนที่กําลังดำน้ำําหรือคนที่กําลังเป่าปีเป่าออกข้างนอกนะฮะแต่เราเนี่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอะอย่างนี้น หรือพวกเข้านิโรธสมาบัติอันนี้เรายังยังไม่ถึงใหญ่เลยนะฮะดับสัญญาดับเบธนาเนะี่ยเพราลมหายใจก็ต้องมีอยู่แล้วก็ตั้งสติเลืก ร, รู้อยู่ซึ่งจุดซึ่งลมเคยเคยกระทบนั่นเองแล้วลมหายใจก็จะเกิดผุดขึ้นแผ่วๆขึ้นมาเรื่อยนะทีนี้ในการต่อไปสมมติว่ามันเกิดเปลี่ยนแปลงเป็นปีติปีตินีในแง่ความจริงมันเป็นเทนานะ ปีติเป็นความเอือบปิ่มบางครั้งบางคราวก็อาจจะเกิดยุบยุบยุบยุบขึ้นมาตามผิวบางทีก็อาจจะเกิดสู้ท่าเสียวสู้ซ่าวุบ้าบขึ้นบางทีก็รู้สึกคล้ายๆกับตัวจะลอยบางทีรู้สึกตัวพองอะไร ก, ก็หลายเรื่องไงนะฮะปีติเนี่ยทีนี้เรามาดูที่อนาปานสติเลยก่อนอนาปานสติเป็นกรรมฐานที่ทรงสอนมากแล้วแม้แต่ว่า เวลาพระท่านปฏิบัติกรรมฐานไปแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยพระเจ้าก็กลับมาตั้งหลักที่อานาปานสติให้ท่านเ่านั้นกลับมาตั้งหลักที่อนาปานสติเพราะอะไรเพราะว่าอนาปานสตินั้นหนึ่งคือเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสรงปฏิบัติแล้วก็จนเป็นบันไดขั้นแรกนะฮะที่นําไปสู่การจัดสรุปประการที่สองนั้นเหมาะกับคนจริตทั้งหลายคือจริตอะไรก็ตามนะราคาโตสโมหะอ พุธทธิจะสัทธาจริตพทุทธิจริตกบิตกจริตเนี่ยไปได้ทั้งนั้นเลยใจหน้าปราณสติได้ทั้งนั้นการจเจริญกรรมฐ า, านมันเป็นลักษณะของค่อยลางเนื้อชอบลางยาอยู่เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถทําใจสงบได้นะเรื่องบางเรื่องเราทําไม่ได้เลยอย่างอาตมาหาเรปฏิคุณสัญญาเนี่ยพิจารณาความปฏิคุณของอาหารนี่เสร็จเลยนะฉันเข้าไม่ได้เลยขึ้นเขียนอาเจียนออกมาเลยเพราะเราก็ไม่เอามากรรมฐานนั้นก็ไม่เล่นนะไม่คิด หมพิจารณาแต่ว่ากรรมฐานบางอย่างเราพิจารณาแล้วสบายนะเช่นพุทธานตุติตมานุติสังคานุติอะไรอะไรเนี่ยเราสบายรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเองเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นโดยและการต่อไปก็คือในแนวองอานิสงส์ พระเจ้าทรงแสดงอนิสง์ของอนาปานสติไว้ว่วาหนึ่งสันโตเจวะคือสงบระงับดีจิตมันจะสงบระงับดีแล้วก็ปณิโตคือจิตจะประณีตละเอียดแล้วอเสจะนักโกคือมันเย็นเป็ลนลักษณะเหมือนกับไม่ต้องรดน้ำก็เย็นนะจิตเป็นจิตเย็นแล้วสุขโขจะวิหารมีสุขเป็นเครื่องอยู่ด้วย ภูมิจิตมันจะมีความเข้มแข็งมันจะทำปฏิกิริยาต่อสิ่งเร้าได้โดยอัตโ น, นมัติหมายความว่าเกิดอกุศลบาปธรรมขึ้นมาเนี่ยมันสลัดก้าไปคล้ายๆกับอะไรล่ะมันคงไม่ถึงกับใบบัวที่ไม่น้ำไม่ซึมหรอกแต่ว่ามันจะตีกลับเช่นเช่นสมมติว่าเราหยดน้ำลงไปในหินเนี่ยมันก็กลิ้งกลับไล อารมณ์อกุศแลแธรรมที่มันเกิดขึ้นพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถาวร น, นะฮะแต่หมายความว่ามันก็ตีกลับอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้ดังนจึงจึงทรงแสดงว่าย่อมบำราบบาระธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรฐานหายไปในที่นั้นทันทีคือคือมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับเรามีภูมิต้านทานโรค มีปุ่มดานทานโรคอยู่แล้วก็ทีื้อโรคมันเกิดขึ้นกำลังไม่มากพอในสุดมันก็ถูกทํำลายไปเพราะว่าภูมดันดานโรคเราดีหรือว่าดูตัวอย่างง่ายๆเนะี่ยว่าสระน้าที่มีน้ำใสบริสุทธิ์อยู่มากเลยแม้จะมีของสกปรกตกลงไปมันก็สลายไปหมดเลยจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงจุดนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้น เพราะอ น, นาปานสติบางครั้งในเราจึงพบว่าส่งแสดงนะฮะส่งแสดงเอาข้อเดียวนะว่าทำหนึ่งประการเนี่ยทําทำสี่ประการเนี่ยบางเกิดขึ้นทำสี่ประการทําสร้างให้ธรรมะเจ็ดประการเกิดขึ้นธรรมะเจ็ดประการทําให้ธรรมะสองประการบางเกิดขึ้นโดยเริ่มที่อานาปานสติหนึ่งก็คืออนาปานสติแลพะพอปฏิบัติไปเนี่ยเขาจะเข้าไปใน ในสติปัฏฐานสี่หรือเข้าไปติกายเวทนาจิตสามเพราะฉั้นลักษณะของปีติเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเป็นเวทนาประการ เ, เป็นสุขเวทนานะเป็นแนวสุขเวทนาแต่ว่ามันสัมผัสทางจิตโดยตรงก็ เ, เรียกว่าสมนัตสเวทนาเป็นลักษณะของสมนัตปวกกลุ่มสมนัตปีติจะปรากฏออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปก็เคยสอบถามพวกนิมิตพวกปีติ แล้วเคยศึกษาที่คนก็ทำไว้อาจารย์พรรัตนสุวรรณท่านเคยสรุปเอาไว้นะะโอ้มันต่างกันเยอะเลยนิมิตปรากฏตั้งข้าสิบกว่าอย่างไม่เหมือนกันเลยเพราะงั้นตรงนี้ไม่ใช่เนื้อหาสาระจากการสังเกตเวลาไป บ, ญญบรรยายรมเด็กที่วัดว่าปูแก้วนะซึ่งมีหลักสูตรบริหารจิตเนี่ยเด็กก็จะใส่ใจตรงนี้พวกปีติพวกนิมิตเนี่ยสนใจกันจริงแต่เราจะเอาทาอะไร มันไม่ใช่เนื้อหาสาระแต่ถ้าเจอมีข้อแม้ว่าถ้าเจอถ้าเจอก็ต้องรู้ว่าเราจากเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติเราจากเป็นผู้รู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันหมายความว่าปีติก็คือปีติไม่ไปกำหนัดเพลิดเพลินยินชมยินดีอะไรมันเกิดมันก็มันเกิด เราก็มีหน้าที่ทำใจสงบคล้ายๆกับเรานั่งรถไปบนเส้นทางสายใดสายหนึ่งมันก็เห็นอะไรเยอะแต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็เรียกว่าเพิกคือเลิกสนใจในอารมณ์เหล่านั้นเราก็เดินทางไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปสนใจสายใจหรือให้ความสำคัญกับทิวทัศนร์รอบทางนี่ก็เป็นหลักการประการหนึ่งซึ่งน่าโดยเสด็จ คืออยางน้อยที่สุดนี่ก่อนจะนอนหรือว่าอะไรก็ตามนะนั่งนั่งเนี่ยไม่มีอะไรก็ภาวนาปุโตปุโตปุโต ต, ตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือนึกตรงใดตรงหนึ่งก็ได้หรือบางทีเรานั่งรถเนี่ยมันในกรณีที่เราไม่ได้ขับรถอะ่ะคือนั่งคิดเป็นพวงท่านสมัยนั่งสมาธิไปได้เลยนั่นงสงบทําใจเป็นสมาธิไปก็ให้กายได้พักผ่อนนะจิตได้พักผ่อนเรามีพลังในการได้จะทํางานืต่อไป โอกาสเนี่ยมันเยอะแต่ว่าใจเราถ้าปลอยแล้วแกก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆเพราะเราจิตก็มาจับมาเกาะ อ, อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งก็มีให้ให้เกาะได้ตลอดนะเพรอลมหายใจเข้าออกมันอยู่กับเราตลอดไปตราบเท่าที่เรายังไม่ตายทั้งฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามภัยบุญในธรรม